อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็จะปรากฏ ว, ว่าแน่นแฟ้นเช่นเชื่อในพระรัตนตรยัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการแจ่มชัดล้วนแต่เป็นอาการจูงจิตให้หลงผิด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 ขั้นที่จะทำการตัดกิเลสละเอียดเสได้เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สาคือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมตนดำรงตนให้เดินไปในทางที่ถูกไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้แจ้งชัดในหนทางของวิปัสสนาที่ถูกที่แท้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 มีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไปเรียกว่าปฏิปทายาณทัศนะวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสนาตัวที่สี่หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่หกเนื่องจากไม่มีคำอธิบายอันละเอียดของญาณ น, นี้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 ที่จะเบื่อหน่ายไทยทอนความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้นี้เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หนึ่ ง, งการเพ่งพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปถึงสองประการในความเดียวกันนั้นยังยอยากอยู่ยังพลากว่าที่จะเพ่งเพียงอย่างเดียวในขั้นนี้ท่านจึงให้ทิ้งเสอย่างหนึ่งคือไม่เพ่งดูฝ่ายเกิดเพ่งดูฝ่ายความดับ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 ความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความพังทลายหรือความดับเรียกสั้นๆว่าพังขยานนี้เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่สองสมเมื่อความเห็นแจ้งในความแตกเสื่อมสลายมีมากพอแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปเป็นอันดับที่สว่าภาวะคือความมีความเป็นทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว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 ไม่เป็นที่น่าอภิรมแก่ผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกเห็นสภาพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษต่างๆเช่นนี้เรียกว่าอาธีนวะนุ ป, ปัสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงเรียกสันส้นๆว่าอาธีนวญาณจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สี่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 หรือเปรียบอย่างเนื้อหรือนกที่ติดบ่วงดินเร่าๆอยู่มันอยากพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไรเขาก็อยากพ้นจากสังขารทุกข์มากเท่านั้นความรู้สึกอยากจะพ้นจริงๆทำนองนี้เรียกว่ามุนจิตุกรัมรมยะตาญาณซึ่งแปลว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หก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 ท่านเปรียบว่าต้องมีความกล้าให้มากพอเท่ากับว่าตัวเราเป็นหนูตัวนิดเดียวก็กลัวฆ่าเสือโครงสองถึงสามตัวเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจจริงสอดส่องหาหนทางตามประษาหนูตัวเล็กๆถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆทําทให้มันอ่อนกําลังลงทุกๆวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามฆ่าอยู่เสมอเสมอ อุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุปปัสนายานจัดเป็นวิปัสนายานอันดับที่เจ็ดการทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้นเป็นเหตุทำให้เราวางเฉยในสิ่งทั้งปวงได้ยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้จึงเป็นลำดับแห่งสังขารุปเปคาญาณซึ่งแปลว่า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 ก็เกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกๆภาวะเห็นสิ่งที่เคยรักใคร่หลงไหลเป็นก้อนอิฐก้อนดินไปท่านเปรียบความข้อนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาแต่ก่อนบัดนี้ปรากฏว่าเป็นกระบทก็หมดรักเช่นในกรณีที่เมียมีชู้เลยหมดรักครั้นอย่าขาดจากกันแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็ได้ ใจเราเฉยได้ภาวะต่างๆที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อเรเ็จอร่อยน า, นานาประการของตนเมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงยานอันดับที่แปดนี้แล้วก็ทราบว่ามันว่างจากสาระใดๆจึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสได้เหมือนบุรุษที่วางเฉยกับพันรยาที่อยาขาดกันแล้วเป็นต้น สังขารูเปกขายานนี้จึงเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่8เรียกสั้นๆว่าอุเบกขายานเก้าเมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงได้อย่างนี้ใจก็พร้อมที่จะรู้อริยสัจสี่ชนิดที่จะทำให้บรรลุถึงทางที่นำไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกายาน แปลว่าความเห็นที่พร้อมที่สุดที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นทาลายกิเลสเครื่องผูกพันคนให้ติดโลกให้หมดไปได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่เ้าเรียกสั้นๆว่าอนุโลมิกญาณวิปัสสนา9ก้าลดับนับตั้งแต่อุทยาพยนุปาานัสสนาญาณ ไปจนถึงสัจจานุโลมิกญยานเป็นที่สุดนี้เมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสนาญาณตัวที่สหรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6กล่าวคือความบริสุทธิสะอาดหมวดจดแห่งปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เห็นทางดำเนินไปของการพิจารณาจนเกิดปัญญาที่รู้แจ้ง และตัดกิเลสได้วิปัสสนาตัวที่ห้าต่อจากนั้นก็ถึงวิสุทธิอันดับเจที่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความเห็นที่ถูกต้องซึ่งได้แก่อริยะมรรคยานนั่นเองนี้เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาหรือผลของวิปัสสนาได้แก่อริยะมรรคยานทั้งสนับเป็นวิปัสสนาตัวที่ห้า ในลำดับระหว่างสัจจานุโลมิกายานกับญาณทัศนวิสุทธินี้มีโคตระภูยานแทรกอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างคนธรรมดาที่มีกิเลสกับพระอริยบุคคลแต่โดยที่โคตระภูญานมีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไปจึงควรสงเคราะห์เข้าไวส้สนาฝ่ายปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ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 เรื่องอยาระงับสรรพัพพทุกต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นชังหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากฤิมันแรงไม่มีกูของกูแสแหวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาหน้าเป็นเป็นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออก ลูกใหญ่ใหญ่หกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้มเมล็ดมันนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเคล้ากันไปเศถาที่อาถรรสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสัยอันเป็นธรรมชั้นหาฤทัย ในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัพพโรคเป็นโรคอุดร